ร, รายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่24สทัศกะนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสิบข้อทุติยปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่สองวคที่หนึ่งสัจิตตวักว่าด้วยจิตของตนตรัสว่าถ้าภิกษุไม่ฉลาดในเรื่องจิตของคนอื่นก็ควรฉลาดในเรื่องจิตของตนและตรัสว่าไม่ส่งสัรเสริญความหยุดอยู่ในกุศ ล, ลธรรม และตรัสเรื่องควรฉลาดในเรื่องจิตของตนอีกในหนึ่งตรัสถึงปัจจัยสี่คามนิคมชนบทประเทศบุคคลตรัสถึงเรื่องทั้งหมดว่ามีสองอย่างคือที่ควรเสพและไม่ควรเสพโดยมีเหตุผลว่าถ้าเสพเข้าอากุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมก็ไม่ควรเสพถ้าอากุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญก็ควรเสร พ, พระสาวรีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องบุคคลผู้มีธรรมะอันเสื่อมและไม่เสื่อมและเรื่องควรฉลาดในเรื่องจิตของตนตรัสแสดงสัญญาหรือความกำหนดหมายสิบประการคือความกำหนดหมายว่าไม่งามความกำหนดหมายในความตาย ความกำหนดหมายว่าน่าเกลียดในอาหารว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงว่าไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตนในสิ่งที่เป็นทุกข์กำหนดหมายในการละในการคลายความกำหนัดในการดับและตรัสความกำหนดหมายสิบประการอื่นอีกคือความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตน ความกำหนดหมายในความตายความกำหนดหมายว่าน่าเกลียดในอาหารว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงความกำหนดหมายในกระดูกในซากศพที่มีนอนไตในซากศพที่มีสีเขียวในซากศพที่ขาดเป็นท่อนในซากศพที่ขึ้นพ่องตรัสว่าธรรมะทั้งปวงมีฉันทะหรือความพอใจเป็นมูลเป็นต้น เราได้ตรัสสรุปสอนให้สำเนียกว่าจิตของเราหนึ่งจะได้รับอบรมโดยควรแก่การบวช 2. จะไม่ถูกอกุศลลบาปทำครอบงำสามจะได้รับอบรมด้วยความกําหนดหมายว่าไม่เที่ยง 4. จะได้รับอบรมด้วยความกําหนดหมายว่าไม่ใช่ตัวตน 5. จะได้รับอบรมด้วยความกําหนดหมายว่าไม่งาม หกจะได้รับอบรมด้วยความกำหนดหมายถึงโทษเจ็ดจะได้รับอบรมด้วยความกำหนดหมายที่รู้ถึงความเสมอไม่เสมอแห่งโลกแปดจะได้รับอบรมด้วยความกำหนดหมายที่รู้ถึงความมีความเป็นความไม่มีไม่เป็นแห่งโลกเกาจะได้รับอบรมด้วยความกำหนดหมายที่รู้ถึงความเกิดขึ้น ความดับไปแห่งโลก 10. จจะได้รับอบรมด้วยความกำหนดหมายการละ1 1จเกจะได้รับอบรมด้วยความกำหนดหมายถึงความคลายกาหนัด1 2จสกจะได้รับอบรมด้วยความกำหนดหมายถึงความดับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตตผลในปัจจุบัน หรือถ้ายังมีกิเลสเหลือก็คือความเป็นพระอนาคามีตรัสแสดงธรรมแก่พระคิริมานนนผู้เป็นไข้โดยสอนให้พระอานนท์จำไปบอกเรื่องสัญญาสิบประการคือหนึ่งอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยง 2. อ, อนัตตสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตัวตน 3. อสุภสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่งาม 4. อาทินวะสัญญาความกำหนดหมายถึงโทษของกาย 5. ปหาณะสัญญาความกำหนดหมายถึงการละอกุศลวิตก 6. วิราคะสัญญาความกำหนดหมายถึงความคลายกำหนัด 7. นิโรธสัญญา ความกำหนดหมายถึงความดับสังขารและกิเลสทั้งปวง 8. สัพพ โ, โลเกอนาพิระตะสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง 9. สัพพสังขารเรสุอานิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวง10อานาปณะสติ สติกำหนดลมหายใจเข้าออกวักที่สองชื่อยะมะกะวักว่าด้วยธรรมะที่เป็นคู่ตรัสว่าที่สุดเบื้องต้นของอวิชชาไม่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอวิชชาอาวิชชามามีขึ้นในภายหลังแต่ก็ปรากฏขึ้น เพราะมีปัจจัยเรากล่าวว่าอาวิชามีอาหารนิวรหเป็นอาหารของอวิชชาครั้นแล้วได้ตรัสแสดงธรรมะอื่นๆที่เป็นอาหารของนิวรและของสิ่งที่เป็นอาหารของนิวรต่อต่อไปอีกเป็นลูกโซ่คือทุจริตสามการไม่สํารวมอินทรีการไม่มีสติสัมปชัญญะการไม่ใส่ใจโดยแยบคาย ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาการไม่ฟังธรรมะการไม่คบสัตบุรุษฝ่ายดีคือวิชาวิมุตต์มีโพวชงเจตเป็นอาหารโพวชงเจตมีสติปัฐานสี่เป็นอาหารโดยในนี้ได้แสดงสุจริตสามอินทรียสังวรโยนิโสมนัสิการจนถึงการครบสัตบุรุษหรือคนดีว่า เป็นอาหารของธรรมะที่มาข้างหน้าตนโดยลำดับตรัสเรื่องที่สุดเบื้องต้นของภาวะตันหาคือความทยานอยากในความมีความเป็นในธรรมนองเดียวกับอวิชชาฝ่ายดีเริ่มต้นโดวยวิชาวิมุตเช่นเดิมตรัสว่าผู้ถึงความตกลงใจคือหมดความสงสัยในพระองค์ ชื่อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิมีห้าพวกที่ป ร, รินิพพานในโลกนี้คือพระโสดาบันพวกเกิดเจดชาติเป็นอย่างยิ่งพวกเกิดจากสกุลสู่สกุลคือเกิดอีกสองถึงสมชาติพวกเกิดชาติเดียวพระสกทธาคามีท่านผู้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันและอีกห้าพวกคือละโลกนี้ไปแล้วจึงนิพพานได้แก่พระอนาคามีห้าประเภท รัดแสดงผู้เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระองค์ว่าเป็นโสดาบันและแบ่งเป็นห้าพวกสองประเภทเช่นข้างต้นพระสารีบุตรตอบคำถามของสามัญทกานิปริพาชคบุตรว่าความเกิดเป็นทุกข์ความไม่เกิดเป็นสุขที่ว่าเป็นทุกข์เพราะหวังได้ถึงทุกข์อื่นๆคือเย็นร้อนหิวกระหาย วดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นและได้แสดงถึงความไม่ยินดีหรืออนัพิรติว่าเป็นทุกข์ในพระธรรมวินัยนี้ส่วนความยินดีคือพอใจตามมีตามได้เป็นสุขในพระธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคตรัสสั่งให้พระสารีบุตรแสดงธรรมแทนพระองค์ทรงพักพร พระสาเรบุตรได้แสดงถึงว่าถ้าไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมก็จะไม่มีฮิริและธรรมะข้ออื่นๆไปโดยลำดับคืออต ป, ปะวิริยะปัญญาทำให้มีความเสื่อมในกุศลธรรมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปเกียรติคร้านมีปัญญาสามมากโกรธผูกโกรธ มีความปรารถนาลามกคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเห็นผิดสำหรับฝ่ายดีคือตรงกันข้ามพระผู้มีพระภาคตรัสรับรองและชมเชยพระสาวรีบุตรสอนภิกษุทั้งหลายคล้ายกับที่กล่าวไว้แล้วเป็นแต่ยักย้ายในเล็กน้อยตรัสสอนให้พูดอิงอาศัยกถาวัตถุ คือเรื่องที่ควรพูดสิบประการได้แก่ถ้อยคําเรื่องมักน้อยสันโดษส ง, งัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียรศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนนะวักที่สามอาการขวักว่าด้วยความหวัง ตรัสสอนให้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยปาฏิโมกข์ถ้าเธอหวังดังต่อไปนี้ก็พึงทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบเนืองเนืองซึ่งเจโตสมาทะคือความสงบแห่งจิตในภายในไม่ว่างเว้นจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเจริญการอยู่เรือนว่างถ้าเธอหวังดังต่อไปนี้คือหนึ่งหวังให้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเพื่อนพรมจารี สหวังได้ปัจจัยส 3. หวังให้มีผลมากมีอานิสงฆ์มากแก่ผู้ถวายปัจจัยส 4. หวังให้มีผลมากมีอานิสงฆ์มากแก่ญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วมีจิตเริ่มใส่ระลึกถึง 5. ห, หวังสันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ 6. ห, หวังอดทนต่อเย็นร้อนหิวกระหายสัมผัสเหลือบยุง ลมแดดสัตว์เสือคลานถ้อยคำที่ไม่เป็นที่พอใจและทุกขเวทนากล้า 7. หวังอดทนต่อความไม่ยินดีและความยินดีไม่ให้มาครอบงาได้ 8. หวังอดทนต่อความหวาดกลัว 9. หวังได้ฌานสี่โดยไม่ยาก 10. หวังทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต อันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันหมายเหตุถอดความว่าถ้าหวังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด10บข้อนี้ก็พึงทำให้บริบูรณ์ในศีลเจริญสมาธิบาเพ็ญวิปัสสนาคือทำปัญญาให้เกิดตรัสแสดงสิ่งที่เป็นเซียนนามสิบประการคือหนึ่ง ความคลุกคลีด้วยหมู่เป็นเสี้ยนหนามของผู้ยินดีความสงัด 2. การประกอบหนึ่งเนืองซึ่งนิมิตว่างามเป็นเสี้นนามของผู้ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งนิมิตว่าไม่งาม 3. การดูการเล่นเป็นเส้ยนหนามของผู้สํารวมอินทรีย์ 4. การเที่ยวไปใกล้มาตุคามเป็นเสี้นนามของพรหมจันทร์ หเสียงเป็นเส้นนามของฌานที่หนึ่งหวิตกวิจารณคือความตรึกและความตรองเป็นเส้นหนามของฌานที่สองเจ็ปีติความอิ่มใจเป็นเส้นนามของฌานที่สามแลมหายใจเข้าออกเป็นเส้นนามของฌานที่สี่เก สัญญาคือความกำหนดหมายและเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์ว่าสุขทุกข์เป็นต้นเป็นเส้นหนามแห่งการเข้าสัญญาเวทอิตานิโรธส0ราคะคือความกำหนัดยินดีและโทสะความคิดประทุษร้ายเป็นเส้นหนามทั่วทั่วไป ตรัสว่าธรรมะสิบประการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่หาได้ยากในโลกคือหนึ่งซับสองผิวพันธ์ 3. ความไม่มีโรค 4. สีศีลหพรมจรรย์การประพฤติเหมือนพรมคือเว้นจัด ก, การ 6. มิตร 7. การสดับตรับฟังมาก 8. ปัญญา 9. ธรรมะส่วนนี้อัตถกถาแก้ว่าโลกุตระธรรม9คือมรสีผล4ีนิพานหนึ่งสสัตว์น่าจะหมายถึงคนที่ถูกใจตรัสแสดงอันตรายสิบประการแห่งสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจคือหนึ่งความเกียดพรานเป็นอันตรายแห่งทรัพย์ 2. การไม่ประดับตกแต่งเป็นอันตรายแห่งผิวพันณสาการทำสิ่งที่แสลงเป็นอันตรายแห่งความไม่มีโรค 4. คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอันตรายแห่งศีล 5. การไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอันตรายของพรหมจรรย์ 6. กการพูดขัดเป็นอันตรายของมิตร 7. การไม่ท่องบนเป็นอันตรายแห่งการสดับดรบฟังมาก 8. การไม่ตั้งใจฟังไม่ไต่าถามเป็นอันตรายแห่งปัญญา 9. การไม่ประกอบหนึ่งเนืองการไม่พิจารณาเป็นอันตรายแห่งธรรมะ 10. การปฏิบัติผิดเป็นอันตรายแห่งสัตว์ส่วนอาหาร คือเครื่องสืบต่อหล่อเลี้ยงแห่งธรรมะสิบประการพึงทราบโดยในตรงกันข้ามตรัสแสดงความเจริญสิบประการที่ทำให้อริยาสาวกชื่อว่าเจริญด้วยความเจริญอันประเสริฐคือหนาสวนทรั 2. ซับเข้าเปลือก 3. บุตรภริยาสี่ ธาตุกรรมกรหสัตว์สี้าหสัตธาเจดศีล 8. การสดับตรบฟัง 9. ก, การสละและสิบปัญญาตรัสแสดงบุคคลสิบประเภทคือหนึ่งทุศีลปฏิบัติมีแต่เสื่อมสองทุศีลแต่กลับตัวได้ ปฏิบัติก้าวหน้าสมีศีลปฏิบัติมีแต่เสื่อมสมีศีลปฏิบัติก้าวหน้าหมีราคะกล้าปฏิบัติมีแต่เสื่อม 6. มีราคะกล้าราคะดับไม่เหลือปฏิบัติก้าวหน้า 7. มักโกรธปฏิบัติมีแต่เสื่อม 8. มักโกรธ ความโกรธดับไม่เหลือปฏิบัติก้าวหน้าก้างสุ้งซ่านปฏิบัติมีแต่เสื่อมสิบฟุ้งซ่านความฟุงสซ่านดับไม่เหลือปฏิบัติก้าวหน้าตรัสแสดงแก่พระอาห น, น์เพื่อแก้ข้อข้องใจของมิคาสาลาอุบาสิกาดังนี้หนึ่งตรัสว่า ถ้าไม่มีธรรมะสามอย่างในโลกคือความเกิดความแก่ความตายก็จะไม่เกิดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกและพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศดีแล้วก็จะไม่รุ่งเรืองในโลก 2. ตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือราคะโทสะโมหะ ก็ไม่ควรที่จะละความเกิดความแก่ความตายได้สามตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือสัจกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศิลป ะ, ะปรามาศก็ไม่ควรที่จะละราคะโทสะโมหะได้สีตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือการไม่ใส่ใจโดยแยบคาย การเสพทางผิดการที่จิตหดหูก็ไม่ควรจะละสักกายะทิฏฐิวิจิกิจชาศิลพะตะปรามาสได้หาตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือความเป็นผู้หลงลืมสติความไม่มีสัมปัตชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตก็ไม่ควรจะละการไม่ใส่ใจโดยแยบคายการเสพทางผิดการที่จิตหดหูได้ ตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือความเป็นผู้ไม่ใกล้จะเห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใกล้ฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดจับผิดก็ไม่ควรจะละความเป็นผู้หลงลืมสติความไม่มีสัมปะชัญญาความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ 7. ตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือความฟุ้งซ่านความไม่สํารวม ความทุศีลก็ไม่ควรจะละความเป็นผู้ไม่ใกล้จะเห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร้จะฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดจับผิดได้แปดตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือความไม่มีศรัทธาความไม่รู้คำที่คนอื่นพูดความเกียดคร้านก็ไม่ควรจะละความฟุ้งซ่านความไม่สํารวม ความทุศีลได้9ตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือความไม่เอื้อเฟื้อความว่ายากการครบคนชั่วเป็นมิตรก็ไม่ควรจะละความไม่มีศรัทธาความไม่รู้คาที่คนอื่นพูดและความเกียดคร้านได้10ตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือความไม่ละอาย ความไม่เกรงกลัวต่อ บ, บาปความไม่ประมาทก็ไม่ควรจะละความไม่เอื้อเฟื้อความว่ายากการคบคนชั่วเป็นมิตรได้รวมตรัสแสดงแก่พระอานนทั้งหมดสิบข้อตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยอัตธรรมสิบอย่างเป็นผู้เช่นเดียวกับกาคือทำลายความดีของผู้อื่น ขนองทยานอยากกินมากละโมกไม่กรุณาไม่มีกำลังส่งเสียงเอ็ดอึงหลงลืมสติทำการสะสมตรัสแสดงอาสัตธรรมของพวกนิครณและเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตวักที่สี่เทรวักว่าด้วยพระเทระต่างๆ ตรัสว่ารัตถาคตพ้นจากธรรมะสิบอย่างคือขันห้าชาติชรามรณะทุกขและกิเลสเปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำโผล่พ้นน้ำไม่เปียกน้ำตรัส ก, กับพระอานนุ์ว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลต่อไปนี้จะถึงความเจริญภัยบู์ในพระธรรมวินัยนี้คือไม่มีศรัทธา ทุศีลสดับน้อยว่ายากคบคนชั่วเป็นมิตรเกียดคร้านหลงลืมสติไม่สันโดษมีความปรารถนาลามกเห็นผิดแต่ถ้าตรงกันข้ามก็เป็นไปได้ตรัสแสดงเหตุที่พระธรรมเทศนาของพระตถาคตบางครั้งก็แจมแจ้งบางครั้งก็ไม่แจมแจ้งแก่บางคน เพราะมีศรัทธาแต่ไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปนั่งใกล้ไม่ไต่าถามไม่เงียโสอดฟังธรรมไม่ทรงจำธรรมะไม่พิจารณาอัฏฐะแห่งธรรมะไม่รู้อัฏฐะรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมตามความสมควรแก่ธรรมไม่มีวาจาไพเราะไม่แนะนำชักชวนปลุกใจปลอบใจเพื่อนพระมจารี เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ทำให้พระธรรมเทศนาไม่แจ่มแจ้งส่วนฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามพระมหาโมคลานะแสดงธรรมสิบอย่างว่าเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วคือมากโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอฤษยาตรณี โ อ, อ้วดมีมายาปรารถนาลามกหลงลืมสติพระมหาจุนทะแสดงธรรมสิบอย่างมีความเป็นผู้ทุศีนไม่มีศรัทธาเป็นต้นว่าเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระมหากัสสะแสดงธรรมสิบอย่าง คือนิวรห่ายินดีในการงานในการพูดมากในการหลับในการคลุกคลีด้วยหมู่หลงลืมสติว่าเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วตรัสแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เคารพไม่เป็นที่สรรเสริญไม่เป็นสมณนะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือก่ออธิกรณ์ไม่ใคร่การศึกษาปรารถนาลามกมักโกรธลบหลู่บุญคุณท่านโอ้อวดมีมายาไม่พิจารณาไม่หลีกเร้นไม่ต้อนรับเพื่อนพรมจารีฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้ามตรัสว่าผู้ด่าผู้บริพาทเพื่อนพรมจารีผู้ว่าร้ายพระอริยะ ย่อมถึงความพินาศสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่บรรลุคุณที่ยังไม่ได้บรรลุเสื่อมจากคุณที่ได้บรรลุแล้วพระสัตธรรมไม่ผ่องแพ้วเข้าใจผิดว่าได้บรรลุในพระสัตธรรมไม่มีความยินดีประพฤติโรมจันต้องอาบัตชั่วหยาบอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องโรคคาพาธอันหนักจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าหลงตาย ตายแล้วเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกมีเรื่องเล่าว่าพระโกกาลิกะัซึ่งเป็นพวกเดียวกับพระเทวทัตกล่าวหาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่ามีความปรารถนาลามกพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามปรามถึงสามครั้งก็ไม่ฟังต่อมาไม่ช้าก็เป็นโรคผู้พอง มีแผลใหญ่ขึ้นทุกทีจนถึงต้องนอนบนใบตองมีน้ำเหลืองและโลหิตไหลคล้ายปลาที่ถูกคอร์ดเกล็ดในที่สุดก็ทากาละหรือสิ้นชีวิตด้วยอาภาษนั้นและไปเกิดในปทุมนรกพระสารีมดุดกราบทูลเรื่องกำลังของพระคีนาศพสิบประการ หัวข้อเดียวกับเรื่องกำลัง8โดยเพิ่มอีกสองข้อคือเพิ่มเจริญสัมมารประธานสคือความเพียรชอบสี่และเจริญพละหรือกำลังหวรรคที่หชื่ออุปาสกะวรคว่าด้วยอุบาสก ตรัสแสดงถึงผู้บริโภคกรารมสิบประเภท 1. สแสวงหาทรัพย์มาได้โดยผิดธรรมไม่ทำตัวเองให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 2. ทํทำตัวเองให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 3. ทํทำตัวเองให้เป็นสุขแจกจ่ายทำบุญ 4. สแสวงหาทรัพย์มาได้โดยชอบทำบ้างผิดธรรมบ้าง ไม่ทำตัวเองให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญหาทำตัวเองให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 6. ทำตัวเองให้เป็นสุขแจกจ่ายทำบุญ7แสวงหาทรัพย์มาได้โดยชอบทำไม่ทำตัวเองให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 8. ทำตัวเองให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ 9. าทำตัวเองให้เป็นสุข แจกจ่ายทำบุญและติดไม่เห็นโทษในทรัพนั้นสิบทำตัวเองให้เป็นสุขแจกจ่ายทำบุญแต่ไม่ติดและเห็นโทษในทรัพนั้นแล้วตรัส ช, ชี้ถึงบุคคลแต่และประเภทเหล่านั้นว่าประเภทไหนถูกติเตียนกี่ทางควรสรนเสริญกี่ทาง ตรัแสดงธรรมแกอนาถบินทิกะคขรหาเบดีว่าอาริยาสาวกที่สงบเวรห้าได้ประกอบด้วยองค์แห่งพระโสดาบัน4ีได้เห็นยญายธรรมคือธรรมะที่ถูกต้องด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อปรารถนาก็พึงพยากรตนเองได้ว่าสิ้นนรกเป็นต้นจนถึงพระโสดาบันเที่ยงที่จะได้ตรัสรู้ต่อไป สำหรับส่วนของการได้เห็นธรรมะที่ถูกต้องในภาคอธิบายตรัสแสดงการตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทคือความเกิดขึ้นหรือดับไปโดยอาศัยเหตุต่อๆกันไปอนาถาปินทิกะเข้าเรือหาบดีโตตอบกับพวกปริภาชกถึงทิฏฐิสิบประการที่พวกเขายืนยันเช่นโลกเทียงโลกไม่เทียงว่า ความเห็นนั้นๆก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้วดชิยะมาหิตะเขารหาบดีโตตอบกับพวกปริภาชกถึงเรื่องการบำเพ็ญตบะว่าพระผู้มีพระภาคทรงติสิ่งที่ควรติสัเสริญสิ่งที่ควรสันเสริญทรงเป็นผู้ตรัสจำแนกตามเหตุผลไม่ตรัสแง่เดียว ปุติยบริพาชกเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามถึงทิฏฐิสิบมีเรื่องโลกเที่ยงเป็นต้นตรัสตอบว่าพระองค์ไม่ทรงพยากรทิฏฐิแต่ละข้อเหล่านั้นพระอานนท์จึงชี้แจงเหตุผลที่ไม่ทรงพยากรให้ฟังพระอานนท์โต้ตอบกับโกกานุทัตบริพาชกถึงเรื่องทิฏฐิสิบประการในทรรนองคล้ายกลึงกัน ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะสิประการเป็นผู้ควรของคํานับจนถึงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือมีศีลสดับมากคบเพื่อนที่ดีมีความเห็นชอบได้อภิญญาหกมีแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นตรัสว่าภิกษุผู้เป็นเทระประกอบด้วยธรรมะสิบประการอยู่ในทิศใดใด ก็มีความผาสุกในทิศนั้นนั้นคือเป็นพระเทระรู้ราตรีนานมีศีลสดับมากฉลาดในการระงับอธิกรใครธรรมะสันโดษ ด, ด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้หน้าเลื่อมใสในการก้าวไปถอยกลับสำรวมด้วยดีเมื่อนั่งในบ้านได้ฌานสี่ตามปรารถนาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันตรัสแสดงธรรมแก่พระอุบาลีถึงเรื่องเสนาสนะป่าอันสงัดยากที่จะมีผู้ยินดีแล้วตรัสแสดงถึงการที่กุลระบุตรค่อยเลื่อนชั้นการปฏิบัติจนถึงได้สัญญาเวทยิตานิโรธเขาความเดียวกับสามัญญผลลสูตรและตรัสเรื่องยังละธรรมะสิบอย่างไม่ได้ ไม่ควรทำให้แจ้งอรหัตผล